ภาพเสียงรู้สึกมีบางจุดเมื่อคืนปัญหาเกี่ยวกับ w i ไ i หรือเปล่าเราไม่ได้ใช้แลนด์มันมีการคาดเคลื่อนเริ่มแล้วใช่ไหมยจะพร้อมแล้วก็ก่อนจะเข้าประเด็นของการเล่าเรื่องพอาจารย์ก็กต้องกราบถวายความเคารพกับ กูบาอาจารย์ที่ท่านติดตามรับชมพระอาจารย์มาและหลายท่านก็ส่งถวายกําลังใจมาให้กับพระอาจารย์เพื่อให้ทาหน้าที่ต่อไปกูบาอาจารย์ทุกท่านท่านมีความกดงามในธรรมทุกรูปทุกองพระอาจารย์ก็มีความเคารพ องท่านทุกๆองทุกๆ ท, ท, ท่านทางด้านการปฏิบัติในองค์คุณพ่อปฏิบัติเคารพทุกองค์ทุกท่กทกทานเพียงแต่ว่าการทําหน้าที่ของผู้อาจารย์บางครั้งมันเป็นการทําหน้าที่แบบห้ำหามหน่อยก็คือเห็นปัญหาที่คิดว่ามันไม่ควรจะรอเวลาที่จะแก้ไข บางครั้งเราเรอเวลากันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วแต่การแก้ไขของปัญหานั้นมันไม่ได้ถูกแก้ไขหรือพยายามจะแก้ไขแต่มันไม่ไถูกจุดต่อการแก้ไขและปัญหานี้ถูกเห็นตั้งแต่วันที่พระอาจารย์บวชหรือก่อนจะบวช ด, ด้วยซ้ําหรือตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรด้วยซ้ำพระอาจารย์อยากจะบอกว่าพระอาจารย์บวชตอนอายุ12บสาปีเป็นสามเณร ศึกษานักทำตรีโทเอกมหาป ร, ริญยาถึงปริญญาทำสองประโยคปริญญาทำสามประโย ค, ยมโยคไม่ได้ไปสอบเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกเบื่อแต่ก็เรียนไม่ใช่ว่าไม่เรียนเรียนก็เรียนก็เรียนไปได้อยู่แต่รู้สึกเบื่ออย่างที่ไม่เคยเป็นแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่สอบแล้วก็ลาสิกขาในช่วงอายุสิบแปดปีแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตคารวะ ในระหว่างที่บวชเรียนก็เห็นปัญหาเหมือนกันปัญหาของศาสนาไม่ใช่ไม่เห็นแต่ก็คาดหวังอยู่ว่าปัญหาของศาสนานั้นจะได้รับการแก้ไขอยู่เรื่อยๆตามยุคตามสมัยจนพระอาจารย์ได้มีโอกาสเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ24ปีการบวชก็เริ่มรับรู้ถึงปัญหาอย่างที่เราเคยรับรู้มาแต่ก่อนว่าปัญหาของศาสนามีอย่างไร ล้ปัญหาของศาสนาที่มีอยู่ในคราวที่พระอาจารย์รับรู้ในขณะที่เป็นสมณีนปัญหานั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นเท่ากับว่าปัญหานั้นยังไม่ได้เคยได้รับการแก้ไขอะไรตรงเนี้มันทําให้ได้รับรู้ว่าเออเราทําไมยังอยู่กับปัญหาเหล่านี้ได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขเราจะต้องแก้ไขมัน แต่เราอยู่กับปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขโดยที่เราไม่ยอมแก้ไขมันหรือว่าเราต้องอยู่แบบนี้มันเป็นความคิดของพระอาจารย์เองพระอาจารย์ไม่ได้กล่าวโทษใครแต่พระอาจารย์รับรู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาในลหลายๆอย่างในลหลายๆด้านถ้าจะพูดไปเนี่ยในวงการสงฆ์มันก็จะเป็นการพูดเพื่อเพื่อจุดๆคก็คื อ, คอไม่อยากจะพูด พูดไปเขาเขจะมองกันเป็นวันเป็นอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะเป็นการพูดเพื่อกันให้ไลายใครต่างเราต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรการเข้ามาสู่ศาสนาครั้งแรกก็ไม่ได้มาด้วยความต้องการอยากจะมาทําหน้าที่อะไรกับศาสนาไม่ได้มีความปรารถนาหรือมีเป้าหมายหรือวางแผนชีวว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าอาวาเราต้องมาเป็นครูบาอาจารย์สอนคนมันไม่เคยมีและไม่มีความคิดอย่างนั้น เป็นเพียงแค่อยากจะบวชพอให้รอดไปวันวั น, วนรอวันลาสิกขาเท่านั้นเองแต่ในระหว่างที่ได้รับการบวชมันเกิดการฝึกฝนตนเองฐานด้านจิตใจบนการฝึกฝนเหล่านั้นมันทำให้จิตเกิดการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงบนจิตใจทำให้ผ้าจาร์ได้รับรู้ถึงคุณค่าของพระศาสนาการที่ได้รับรู้ถึงคุณค่าของพระศาสนา มันทำให้พระจันทร์มองเห็นคนอื่นๆที่เข้ามาสู่ศาสนาและเดินห่างเดินหายไปออกจากศาสนาคือเข้ามาสู่วิถีของการบวชแล้วก็ออกไปลาสิกขาไปเดินเข้ามาสู่การบวชลาสิกขาไปเห็นแล้วเห็นเล่าในแต่ละคนเห็นขราวาญาติโยมยังอยู่ในรูปแบบขนบทรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมซึ่งนั่นก็คือกรอบประเพณีอันดีงามในสังคมที่เป็นค่านิยม ที่ถูกยอมรับในเวลานั้นว่านี่แหละคือกิจทางศาสนาที่ชาวพุทธพึงกระทรก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บนการที่กรอบทางประเพณีที่เป็นค่านิยมในกิจทางศาสนาที่พุทธบริษัทกระทำกันทางด้านที่ดีนี้กลับไม่ได้พัฒนาชีวิตของพุทธบริษัทให้คืบหน้าไปกว่าเดิม วันแล้ววันเล่าเราก็ยังเห็นรูปแบบวิธีการนี้พระอาจารย์ผูกยายปลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีห้ามาสวดมนต์ทำวัดก็สวดแบบขี้เกียจเด็กตีห้ลูกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดก็ง่วงเงาเฮานอนปลูกเรามาทมําไหมเรามาสวดมนต์ไปทําไมเราก็ไม่เข้าใจเข้ามาบวชเป็นสามเณรก็สวดมนต์ทำวัดก็สวดถือว่าเป็นกิจที่ควรจะกระทำ บวชมาเป็นพระพิสุก็สวดมนต์ทำวัดก็ถือว่าเป็นจิตที่พึงกระทำฆราวาสญาณโยมมาวัดวาอารามทําบุญกราบไหว้พระสวดมนต์ทำวัดก็เป็นจิตที่พึงกระทำถูกต้องเราทํากันตรงเนี้เราปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วนี่คือสังคมที่พระอาจารย์ก็เติบโตมาแต่ในวันหนึ่งที่พระอาจารย์ได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะพระอาจารย์เห็นคุณค่าที่มากกว่า สิ่งที่ทํากันอยู่ก่อนหน้านี้หรือที่กําลังทํากันอยู่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจที่อยากจะบอกให้คนได้รับรู้ว่าคุณค่าของศาสนามันอยู่ตรงนี้แต่ตอนนั้นพระอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ในพรรษาที่สองคือวันที่พระอาจารย์ประกาศตนเองมอบ ก, กายถวายชีวิตวีนิไว้กับพระพุทธศาสนา ก, การที่พระอาจารย์ประกาศตนเอง มอบชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าตราบรมหายใจสุดท้ายของชีวิตของพระอาจารย์จะอยู่ในศาสนานี้อยู่บนเส้นทางนี้เจตนาทั้งหมดต้องการอยากจะบอกสิ่งที่มันให้ผลลัพธ์กับชีวิตกับจิตของพระอาจารย์เองกับผู้คนที่เป็นพุทธบริษัทที่เข้ามาสู่ศาสนาว่า เขาควรจะได้รับผลรับทางจิตใจกับศาสนาแบบนี้ในสิ่งที่เราได้รับเพราะมันสามารถแก้ไขทุกแก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนและเรื่องราวของชีวิตบางเรื่องราวที่เขาหาทางออกไม่ได้ในตัวเขาเองถ้าอาจารย์รู้สึกว่าผู้คนที่มีความทุกข์แล้วเดินไปหา ที่มันไม่ใช่การดับทุกข์สแสวงหาในจุดที่เราก็รู้เองดีว่าสิ่งนั้นไม่สามารถดับทุกข์้ีเขาได้และถูกล่อลวงชักจูงไปอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือควา ม, มงมงายแล้วก็เห็นสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ได้เป็นการพัฒนาจิตใจ ในตัวของมนุษย์หรือพุทธบริษัทคนคนนั้นยังมีความทุกข์แบบเดิมเอาความทุกข์มาเล่าให้ฟังเอาความเดือดร้อนมาระบายเอาปัญหาต่างๆมาพูดเอาอะไรต่ออะไรที่เขาไปสแสวงหาไปรับมาไปอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่สิ่งสนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกศาสนาแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกศาสนากับถูกยอมรับให้มีอยู่ในวิธีของศาสนาด้วยความที่พระอาจารย์รู้สึกว่าเราพอที่จะมีความรู้แม้นิดหน่อยที่สามารถจะดับทุกข์ให้กับ คนได้และอยากจะบอกวิธีการแห่งการดับทุกข์นี้ให้กับเขาแต่ความรู้อั น, นิดหน่อยของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์จะบอกหรือจะพูดหรือจะสอนหรือจะแนะนําเขามันเป็นความรู้ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เรียกว่าประเพณีขัดแย้งกับสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นอิทธิพลของจารีตขัดแย้งกับค่านิยมและขัดแย้งกับวิธีของความเชื่อ ชาวพุทธทุกคนที่เติบโตขึ้นมาบนวิถีของพุทธเราได้รับคำสอนเราเห็นรูปแบบกิจทางศาสนาเราได้ถูกบอกเรามีคำแนะนำเรามีโรงเรียนสอนธรรมะเรามีพระเทศมีเกือบจะทุกทั่วประเทศไทยในทุกจุดทุกจังหวัดเราเข้าวัดเราฟังธรรมเราทำบุญ สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันค่อยๆลงลึกไปเป็นความเชื่อบนจิตใจเราแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่เป็นความเชื่อบนจิตใจเรามันไม่ใช่ความเชื่อที่นําไปสู่การพิสูจน์แต่มันเป็นความเชื่อที่บอกให้เราเชื่อและถ้าหากเชื่ออย่างอื่นจากความเชื่ออย่างนี้ถือว่าผิด เราก็เลยอยู่กับความเชื่อที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สังคมที่มีค่านิยมบนความเชื่ออย่างนี้มาโดยตลอดเท่ากับว่ายอมรับให้ผู้ศาสนาเป็นแบบนี้คือเคยทามาอย่างไรก็ให้ทาแบบนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเมื่อใดก็ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นการเปลี่ยนแปลงของคนผู้นั้นถือว่าเป็นความผิดในมุมมองของค่านิยมในสังคม และนั่นเองคือสิ่งที่เป็นปัญหาหนึ่งที่พระอาจารย์ น, นํามาโคสุการขบคิดว่าความรู้อันน้อยนิดของพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์รู้ดีว่ามันจะพอจะดับทุกข์ในใจคนได้บ้างแต่ถ้ามันขัดกับสิ่งเหล่านั้นพระอาจารย์ยังจะยอมที่จะบอกความรู้นี้หรือแนะนําความรู้นี้กับคนเหล่านั้นที่กําลังอยู่ในวงจรเห่งความทุกข์หรือไม่คิดอยู่นานไม่ใช่มาพิคิดนะ คบทวนอยู่หลายครั้งกว่าที่จะออกมาพูดหรือมาแสดงทำคิดย้ำย้ำซ้ำๆอยู่ในใจตัวเองมากนู่นรออายุ70ปี80ปีค่อยามาพูดมาเทศมาสอนแล้วกว่าจะไปถึง70ปี80ปีคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่ในเวลานี้ล่ะเขาจะอยู่ยังไงพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าพระอาจารย์เก่งมันมีมีคนที่เก่งมีคนที่มีความรู้มีคนที่มี ความสามารถกว่าพระอาจารย์นี้เยอะมีเยอะจริงๆสังคมพุทธเราจริงๆเราเรามีคนที่มีความรู้เยอะมามากเลยนะแต่เราอยู่ภายใต้กรอบที่เขาตีกรอบไปให้เราไม่สามารถเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเอามาใช้บนชีวิตจริงของมนุษย์หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกคนพบบน จิตใจของพระ อ, องค์เองและสิ่งที่พระ อ, องค์ค้นพบและเกิดเป็นความรู้คือเรื่องราวของชีวิตมนุษย์สิ่งที่พระ อ, องค์นำมาสอนทั้งบมดมันคือท ร, รมาวิจัยการวิจัยทำคือวิจัยชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สิ่งที่วิจัยออกมาจากชีวิตของมนุษย์ที่สามารถดับทุกข์ให้กับมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้กับชีวิตของมนุษย์จริงๆได้นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายแน่นอนว่าเราอยู่ในรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอันดีงามมาโดยตลอดและพระอาจารย์ก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดทุกๆคำพูดพระอาจารย์มีสติทุกท่อยค ในการพูดคือถ้าหากคำพูดใดก็ตามที่พระอาจารย์พูดแล้วผิดที่เป็นความผิดจริงๆท่านใดคิดว่าคำพูดไหนควรจะด่าพระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าก็ก็ด่าได้มันเป็นสิทธิ์ของตัวท่านเองแต่พระอาจารย์อยากจะบอกว่า หากศาสนาที่เป็นอยู่ในเวลานี้กรอบทงประเพณีพิธีกรรมค่านิยมและอิทธิพลของจารีดที่รับสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นความถูกต้องอย่างดีแล้วแต่ทำไมศาสนาถูกปฏิเสธมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการถูกปฏิเสธไม่ใช่เฉพาะการถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่เท่านั้น แม้คนรุ่นเก่าๆเองก็ตามที่มาอยู่คู่กับศาสนาเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในตัวศาสนาศรัทธากับไปศูนยม์มีแม่ที่อยากจะให้ลูกไปสัมผัสกับศาสนาจ้างลูกไปบวชเพื่อให้ลูกได้สัมผัสกับคําสอนสัมผัสกับพระธรรมได้อิทธิพลของศาสนาอยู่กับวัดวาอาลามเชื่อมโยงกับศาสนา ลูกก็ไปบวชได้รับผาจ้างด้วยใครจะไม่บวชแต่นี่มาบวชโ ด, ดยที่ไม่รับผาจ้างพอไปบวชไม่รู้ว่าไปเห็นอะไรอยู่ในวัดบาอาลามนั้นแล้วก็ไม่ได้บวชเต็มตามเวลาที่ตกลงกับคุณแม่ไว้เพราะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ลาศิกขา แล้พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาไม่หันกับข้อหาพุทธศาสนาอีกเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆพระอาจารย์รู้สึกว่าทําไมเรายังมัวนิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี้หรือเราไม่ได้มองว่านี่คือปัญหามันมีอะไรสะท้อนออกมาต่างๆนานา ม, มากมายบนศาสนา ถ้าหากว่าศาสนาวิจาร์ไม่ได้แล้วสิ่งที่กาลังพระอาจารย์กำลังพูดคือการวิจารและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระพอาจารย์ก็จะยอมรับความผิดที่มันจะเกิดขึ้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรศา ส, สนามันเป็นความสาคัญในจิตใจของมนุษย์มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยความมีจิตวิญญาณ จิตวิญญาณมันควรจะได้รับประโยชน์จากศาสนาในสิ่งที่ศาสนาควรจะมอบให้ในชีวิตของมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างที่บอกให้ทำอะไรก็ทำตามสิ่งนั้นโดยที่ไม่สามารถแสดงออกถึงจิตวิญญาณภายในภายในของตนเองหรือแสดงทัศนะอะไรบางอย่างที่ควรจะแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาได้หรือกรอบทางสังคม และอิทธิพลของจารีตหรืออะไรต่างๆทำให้เราไม่สามารถสิ่งที่พูดในสิ่งที่จะเป็นความจริงออกมาได้หรือหลายๆอย่างที่เราสอนให้ทุกคนคิดแบบเดียวกันรับรู้แบบเดียวกันประพฤติแบบเดียวกันทาตามแบบเดียวกันแต่แยกออกจากกัน ้องเนื้อจากนี้ไม่ได้มันคือธรรมชาติของมนุษย์จริงๆหรือเปล่าที่ต้องคิดเรื่องเดียวกันให้รับรู้สิ่งเดียวกันยอมรับสิ่งเดียวกันทําสิ่งที่แตกต่างจากนี้ไปไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราต้องการปลูกมะม่วง แล้วในขณะที่เราปลูกมะม่วงมันดันมีต้นมะพร้าวเกิดขึ้นมาบริเวณต้นของมะม่วงเราก็ตัดต้นมะพร้าวทิ้งหรือมีต้นไม้อื่นๆแทรกขึ้นมาเราก็ตัดทิ้งเพราะเราต้องการมะม่วงและเราต้องการให้เป็นอย่างนั้น คือ เ, เราต้องการให้พุทธบริษัทเป็นแบบนั้นเป็นแบบเดียวกันคิดนี้จากนี้ไม่ได้การพระจารพูดมาถึงจุดนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดบนอกุสุรเจตนาใดแต่การที่พระอาจารย์พูดมาเนี่ยพระอาจารย์เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาที่คนชาวพุทธในเวลานี้ได้รับผลกระทบ บางครั้งมาจากตัวของศาสนาเองความผิดพลาดบางอย่างที่พอาจารย์ผิดพลาดไปจากการอธิบายธรรมะยอมรับว่านั่นคือความผิดพลาดและเป็นความผิดจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้นแต่ในจุดที่ถูกต้องไม่เคยถูกยกขึ้นมาให้เป็นที่รับรู้กับนคนในสังคม เด็กคนหนึ่งที่กำลังจะฆ่าตัวตายได้รับธรรมะและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเด็กหลายคนที่อยู่กับความซึมเศร้าอยากจะจบชีวิตของตัวเองได้รับหลักการปฏิบัติพัฒนาชีวิตตัวเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นคนบางคนเจอปัญหากระทบกับชีวิตและสิ้นหวัง หมดผลนทางและอับจนในการที่จะเบินชีวิตต่อไปได้รับการแก้ไขและเดินออกจากปัญหาเหล่านั้นได้และมีอีกจำนวนมากและมากๆที่ได้ใช้หลักคำสอนผ่านสื่อของธรรมนาวาแก้ไขทุกข์และแก้ไขปัญหาของตนเองโดยที่ไม่ได้มาเจอกับพราอาจารย์เขาก็ได้รับผลใน พอปฏิบัตินั้นนั้นการที่พระอาจารย์พูดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้พูดเพราะว่าน้อยใจหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออยากจะกล่าวหาอะไรบางอย่างอาจจะมีหลายมุมหลายทัศนะที่มองสิ่งที่กําลังพูดอยู่หลาหลากหลายมุมมองก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่พอาจารย์กําลังจะพูดคือกำลังจะพูดถึงปัญหา พระอาจารย์รับรู้ปัญหาของคนในสังคมมาโดยตลอด20ปีหรือ23ปีก็ว่าได้เท่าที่พะระอาจารย์ บ, บวชมาปีนี้เข้าปีที่24การที่พระอาจารย์ได้รับรู้ความทุกข์และปัญหาของคนพระอาจารย์คิดตลอดว่าจะทำยังไงให้าศาสนาหรือหลักคำสอนเนี่ย สามารถใช้จริงบนชีวิตของมนุษย์ได้แล้วเกิดผลคือการดับทุกข์ในตัวของเขาได้และพระอาจารย์ก็ค้นคว้าบนการค้นคว้าพระอาจารย์ค้นคว้าโดยลําพังศึกษาพระไตรปิฎกนับระยะเวลาเป็นสิบกว่าปีมันมีหลายแง่หลายมุมบนตัวหนังสือที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่ทําให้เกิดความโฉนมีมุมมองแนละทัศนะ์บางข้อที่เกิดความสงสัย มีข้อธรรมบางประการที่บางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปไปตามสภาวะที่เราเคยปฏิบัติและมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและไม่ได้ตรงตามที่เกิดการรับรู้ในตัวเองฉะนั้นพอาจารย์เห็นอะไรห ล, ห, ล ห, ลหลายอย่างในหลักคำสอนทางพระไตรปิฎกว่าเป็นหลักคำสอนที่ทรงคุณค่ามากๆ แต่หลักคำสอนที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นเอามาใช้กับคนมันใช้ได้ยากมากถ้าใครศึกษาพระไตรปิฎกถ้าใครเรียนพระไตรปิฎกจะรู้เลยว่าเราเอาหลักคําสอนนั้นมาใช้กับชีวิตเราจริงๆได้ยากมากพระอาจารย์ก็เลยสร้างองค์ความรู้จากจากคําสอนในพระไตรปิฎกสร้างออกมาเป็นองค์ความรู้คาว่าองค์ความความรู้ก็คือขอบ ออกมาให้เป็นตัวความรู้ซึ่งจริงๆมันก็อิงอยู่กับพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่เป็นการครบตีวิเคราะห์ครควรพิจารณาเลือกเฟ้นหาวิธีการทุกวิธีการที่จะใช้ความรู้เหล่านี้แก้ไขทุกข์ดับทุกข์ทำให้คนเกิดปัญญามีสติภายในตนเองพยายามทาอย่างนี้มาโ ด, ดยตลอด แล้วรับแล้วถือว่าสิ่งเหล่านี้คือทุละทางศาสนาที่เราพึงกระทําพระอาจารย์เชื่อว่าพระที่บวชเข้ามาหรือคารวะหรือโยมอย่างเช่นพระอาจารย์เป็นคาราวะาที่โยมเป็นโยมในบวชเข้ามาเนี่ยพระอาจารย์มีความเชื่อว่าการบวชเข้ามาเนี่ยเราต้องศึกษาทำคําสอนแล้วจะศึกษาที่ไหนล่ะก็ศึกษาที่ประไตรปิฎกความรู้ทางด้านมหาปริญ ของพระอาจารย์ก็พอมีในการที่จะศึกษาแต่แน่นอนว่ายังน้อยอยู่แต่ความรู้อันน้อยนี้ก็ยังพอเจ ด, ดสามารถทําประโยชน์ได้ในส่วนที่พระอาจารย์ไม่ได้รู้ไปเกินกว่านี้แน่นอนย่อมเป็นความผิดพลาดจากการที่ไม่ได้รู้มากกว่าเดิมอันนี้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องที่พระอาจารย์ยอมรับว่าไม่ได้พยายามศึกษาให้มากกว่านี้เป็นเพราะอะไรทําไมพระอาจารย์ไม่ศึกษาให้มากกว่านี้เพราะพระอาจารย์ อยู่ในส่วนของวิปัสสนาคือฝ่ายปฏิบัติโดยมีหลวงปู่คําสุกญาณสุขโขนําพระ้าจานไปฝึกคือได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่คําสุกญาณสุขโขฝึกหนักมากฝึกที่เรียกว่าแทบเป็นแทบตายไม่ใช่พูดเล่นๆนะ น, นี่แล้วก็มันได้มาพูดมาอ้างว่าปฏิบัติหนักเพื่ออวดหรือเพื่อยกว่าตนเองเนี่ย ดีหรือเหนือกว่าใครแต่นั้นคือข้อเท็จจริงแต่ถ้าหากการพูดความจริงพูดแล้วมันมีลักษณะาาท่าทีมีมานะหรือยกตนเหนือคนอื่นก็ตรง น, นี้ก็ต้องขออาภาัยกับคนที่รู้สึกแบบนั้นแต่พระอาจารย์สำรวจเจตนาของพระอาจารย์เองแล้วว่าทุกๆคําที่พูดออกมาไรทิฏฐิมานะอยู่ในนั้นแต่กําลังจะบอกให้ได้รับรู้เบื้องหลังหรือที่มาของพระอาจารย์เอง อาจารย์ถูกฝึกมาอย่างไรอาจารย์อยู่กับหลวงปู่คาสุขอยู่สี่ปีถ้าจะพูดที่ดูลักษณะเหมือนกับการอวดอ้างโดยยกเอาหลวงปู่คําสุขคําของหลวงปู่คำสุขมาพูดที่ท่านพูดกับพระอาจารย์ว่าหมดเรื่องที่จะสอนท่านตนแล้วท่านบอกว่าท่านไม่มีอะไรจะสอนแล้ว อาจจะสอนไม่ได้มากก็ไม่รู้เหมือนกันไ <laughs> ม่มีอะไรจะสอนเ <laughs> <ๆ> <laughs> พราะอยู่กันมาสี่ปีไม่เคยได้ยินคํานี้กับท่านอืฉะนั้นแล้วการฝึกฝนอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าคนอยู่กับครูบาอาจารย์ใครก็ตามอยู่กับครูบาอาจารย์จะรู้ดีว่าตอนถูกฝึกฝนเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไร ในวันที่พระอาจารย์กาบลาหลวงปู่คําสุขออกมาหลวงสุขหลวงปู่ท่านก็จริงๆไม่อยากให้พระอาจารย์ออกจากสํานักแต่ท่านก็บอกว่าถ้าไปแล้วก็กลับมาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยพระอาจารย์ก็กาบลาออกมาแล้วกระจายฤทธุ ด, ดงไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อหามุมสงบ จริงๆแล้วไม่ได้เดียจริงๆแล้วก็คืออยากจะอยู่ในมุมที่ไม่ให้ใครรู้จักไม่อยากให้คนรู้จักตั้งใจอยู่ว่าจะอาศัยบ้านหลังสองหลังบินาบาชันแล้วก็รอบันตายไปเท่านั้นเองนั่นคือความตั้งใจแต่เนื่องด้วยว่า มันมีคนที่มีความทุกข์เดินเข้ามาหาแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่แรกว่าถ้าหากพระอาจารย์สอนสิ่งที่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นที่มันเกิดกับพระอาจารย์เองให้คนไปปฏิบัติมันจะค้านกับความรู้สึกเดิมๆค้านกับวิธีการเดิมๆค้านกับ รูปแบบประเพณีพิธีกรรมเดิมๆที่เราเคยรับรู้มาทางศาสนาและพระอาจารย์ก็รู้ตัวดีว่าในการที่พระอาจารย์นําเรื่องราวเหล่านี้มาสอนย่อมไม่ได้ถูกยอมรับแน่นอนแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ทางด้านการดับทุกข์ให้กับผู้คนได้และการที่มันเกิดประโยชน์ทางด้านการดับทุกข์ให้กับผู้คนมันจะต้องยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของคน แต่เรื่องของหลักคําสอนหรือความรู้ที่จะดับทุกข์ทุอคนมันคือความสําคัญที่พระอาจารย์มองว่าควรจะให้ความสําคัญกับความรู้เพราะถ้าเราไม่สร้างศาสนาให้อยู่ในรูปแบบของความรู้คนก็จะไม่เลือกเอาศาสนามาเป็นความสําคัญในการที่จะเอาไปใช้อยู่บนชีวิตเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอาใช้เอาศาสนาไปใช้บนชีวิตเขาอย่างไร อาจจะมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทรงคุณธรรมให้ความรู้เหล่านั้นกับญาติโยมที่สามารถดับทุกข์และแก้ไขทุกข์แก้ไขปัญหาได้แต่นั่นคือส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนมากและปัญหาของศาสนาก็ยังมีคงอยู่จวบจนวันตีเวลานี้ที่ไม่ได้รับการแก้ไขและพระอาจารย์ก็เชื่อว่าพวกเราชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุที่สุนีบาสุปสิกานีต่างก็รู้ดีอยู่แล้วว่าปัญหาของศาสนามันอยู่ตรงจุดไหนหรือถ้าไม่รู้นี่พระอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเมื่อเรารู้ดีว่าปัญหาของศาสนามันอยู่ตรงจุดไหนแต่เราไม่เคยคิดร่วมใจกันในการที่จะแก้ไขปัญหาของศาสนาในจุดจุดนั้นสิ่งที่พระอาจารย์พูดนี้พระอาจารย์ไม่ได้ เอามาจากมูลฐานของการที่เกิดจากแรงโจมตีต่างๆที่เกิดขึ้นในยะคแราที่ผ่านมาแต่พระอาจารย์พูดอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีแล้วแต่แรงโจมตีเพิ่งจะมาเกิดขึ้นนั่นคือการแก้นั่นคือการแก้ไขปัญหาของชาวพุทธหรือไม่นี่คือสิ่งที่เป็นคาถาม ฉะนั้นแล้วการที่พระอาจารย์มาพูดวันนี้ทั้งหมดที่พระอาจารย์เคยบอกหรือพูดกับลูกศิษย์มาเสมอว่าพระอาจารย์มอบกายถวายชีวิตนี้ในพระพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระอาจารย์จะทําเพื่อพระพุทธศาสนาแน่นอนเราอาจจะเข้าใจคําว่าพุทธศาสนาแตกต่างกันหรือมีนิยามคําว่าสัพพุทธศาสนาไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ของคนที่เข้ามาสู่ศาสนา ที่เขาสามารถดับความทุกข์ได้มันคือคุณลักษณะของศาสนาเพราะศาสนาที่เกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้หรือมีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ให้กับมนุษย์ถ้าหากศาสนาไม่สามารถดับทุกข์ให้กับมนุษย์ได้เท่ากับว่าศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่ของศาสนาจึงไม่แปลกที่ผู้คนเดินทางออกจากศาสนา ไม่แปลกที่ผู้คนปฏิเสธการนับถือศาสนาไม่แปลกที่มีคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ปฏิเสธล้อเรียนเสียดสีเหน็บแนมและแต่ต่อต้านศา ส, สนาทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นสิ่งที่พระอาจารย์ พ, พูดทั้งหมดนี้พูดบนเจตนาที่ดี เพื่อหวังอยากจะให้ศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสําคัญเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้เป็นศาสนาที่สามารถที่จะมอบความรู้ในการที่จะดับทุกข์ให้กับผู้คนได้และคาดหวังอยู่ว่าเราจะได้เห็นคนในศาสนาด้วยกันเองมาร่วมใจกันนําพาศาสนาไปสู่จุดที่ถูกต้องถ้าหากการพูดของพระอาจารย์ในเวลานี้ เป็นการพูดที่ส่งผลกระทบทางด้านที่บดีต่อใครใครก็ตามนั่นไม่ใช่เจตนาของพระอาจารย์แต่ก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ว่านั่นไม่ใช่ความต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นและถ้าหากเกิดความไม่พึงพอใจต่อสิ่งที่อาจารย์กําลังพูดอยู่ <c oughs> ก็อยากจะให้รับรู้ว่าพระอาจารย์ไม่ได้มีความประสงค์ จะสร้างความไม่พึงพอใจบนจิตใจของใครพราตลอดทั้งชีวิตของพระอาจารย์มุ่งแต่ว่าจะสร้างความรู้ให้คนใช้บนชีวิตของตนเองละดับทุกข์ในตัวของตัวเองได้อยากจะดึงคนกลับมาสู่การพึ่งพาตนเองศา ส, สนาเราเป็นศาสนาที่มีที่พึ่งอยู่ในตัวของศาสนามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เราเข้ามาสู่ศาสนาในเพื่อหวังการยึดพึ่งศาสนาแต่เราได้มอบที่พึ่งอะไรจากศาสนาให้กับบุคคลผู้เข้ามาสู่ศาสนาให้ได้รับที่พึ่งอันนั้นและสามารถพึ่งพาอันนั้นได้ไปตลอดทั้งชีวิตแต่สิ่งที่พระอาจารย์เห็นคือภาพของคนที่เดินออกจากวิถีแห่งการยึดพึ่งศาสนาไปสู่การพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวศาสนามาขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีมากขึ้นอีกไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีมากไปกว่านี้อีกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆพระอาจารย์ยอมรับทุกอย่างถ้าหากว่าเสียงของการทวงติงเป็นเสียงของการสร้างสรรค์ที่จะทำให้าศาสนาเป็นาศาสนาที่มีคุณค่าและมีศักยภาพ ต่อตัวผู้คนแล้วสามารถดึงศรัท ธ, ธาคนให้กลับมาสู่การยึดพึ่งศาสนาได้พระอาจารย์ยอมรับเสียงทวงติงแล้วก็เคารพกับบุคคลผู้มีเจตนาที่ดีความโชคดีอย่างหนึ่งของพระอาจารย์คือพระอาจารย์ได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ที่ท่าน ถวายทั้งกำลังใจและให้ความรู้ให้คำแนะนำให้กับพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ต้องการอยากจะให้ศาสนากลับมาเป็นศาสนาที่ควรค่าแก่การยึดพึ่งกับชาวพุทธเราจริงๆพระอาจารย์เคยเห็นชาวพุทธที่ทำทุกอย่างที่ พระสงฆ์ขอร้องพระสงฆ์เรียกร้องวัดบาอาลามต้องการมาช่วยกันสร้างนั้นสร้างนี้สร้างสร้างสร้างสร้างสร้างสร้างสร้างจนคนคนนั้นสร้างจนเขาสิ้นศรัทธาในศาสนานี่มันเกิดเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาสร้างจนหมดเนื้อหมดตัวและความทุกข์ก็ยังมีอยู่ในใจของเขาเอง แล้วก็นิยไปนับถือศาสนาอื่นไปสร้างความหวังว่าศาสนาอื่นจะหาจะมีวิธีทางในการดับทุกข์ในตัวเขาไปสร้างความหวังไปว่าความรู้นอกศาสนานั้นจะทําให้เขาพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งๆ ท, ที่พุทธศาสนาเราเองเป็นศาสนาที่ว่าด้วยความพ้นทุกข์อยู่แล้วเป็นหลักการเป็นหัวใจเป็น สาระสำคัญสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เจอหลักคําสอนที่จะดับทุกในศาสนาอื่นในคําสอนอื่นในความรู้อื่นที่อยู่นอกศาสนาวันหนึ่งได้มีโอกาสได้ฟังในสิ่งที่พระอาจารย์กําลังอธิบายธรรมะแล้วทดลองทางด้านการปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เชื่อแอนตี้พูดง่ายว่าเกือบจะเก้าอร์ซที่คนฟังคําธร ร, รรมพระอาจารย์แล้วแอนตี้นั่นคือ 90% คือไม่เชื่อเลยมีนั่งอยู่นี่ก็มีไม่เชื่อเลยแต่พอได้ทดสอบพิสูจน์ปฏิบัติทุกๆคณะที่ได้ปฏิบัติมันเริ่มเข้าไปมองเห็นความจริงอะไรบางอย่างภายในใจิตใจของตนเองเริ่มเข้าใจเริ่มมีเหตุผลเริ่มพิสูจน์ สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็จะถูกรับรู้บนข้อเท็จจริงมันเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะความจริงมันมีไว้เพื่อให้เกิดการรับรู้อยู่บนเส้นทางแห่งการปฏิบัติเมื่อความจริงมันมีอยู่ปฏิบัติก็ต้องไปเจอความจริงที่มีอยู่นั้นหันกลับมาสู่การนับถือศาสนาใหม่อีกครั้งแต่ไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่มันคือการสร้างความเข้าใจแล้วใช้ความรู้บนชีวิตของเขาได้นี่คือศาสนา ที่เขาอยากจะได้จากพุทธศาสนาแต่ศาสนาไม่ได้มอบความรู้แบบนี้ให้กับเขาในระยะเวลาที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับเขาฉะนั้นคนที่เขาเดินห่างออกไปจากศาสนาไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเขาไม่ได้รับประโยชน์แต่พระอาจารย์ไม่ได้บอกว่า ศาสนาที่มีอยู่เวลานี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่แต่เราขาดการพัฒนาหลักคำสอนให้เข้ากับยุคสมัยแน่นอนว่าศาสนาที่ผ่านมามันใช้ได้ในเวลาหนึ่งในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งในอดีตแต่ศาสนามันไม่ได้ย้อนไปในอดีตมันจะไปสู่อนาคตการที่เอาศาสนาในอดีตมาให้คนในยุคสมัยอนาคตใช้มันเข้ากับเขาไม่ได้ ถ้ามันเข้ากับเขาไม่ได้เขาเขาก็าาไม่เอาจะเอาบางทีจะพูดอะไรพระอาจารย์ก็แมไม่ว่าจะขออภัยไว้ก่อนหรือจะขออะไรไว้ก่อนเวลาพูดออกไปมันก็ต้องมีอะไรหลุดหลุดออกไปอยู่บ้างแหละนะแล้วก็หลายๆคนที่นําคลิปพระอาจารย์ตัดไปเป็นคลิปสั้นๆลงติกต๊กต็บัง่งช่องนั้นบัง่งช่องนี้บ้างเต้ไปบท เล็กๆดึงคนให้มาด่าบ้างดึงคนให้มาโจมตีบ้างดึงคนให้มา <c oughs> อะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้น ก, ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านั้นมันก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นโทษของวัตถุสงสารไม่เช่โทษของใครหรอก โทษของวัตตะสงสารการเวียนวายตายเกิดเราต่างก็มาเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่บนโลกมนุษย์นี้เพียงแต่มันมาเจอกันในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองแล้วมันมาเจอกันในช่วงเวลานี้ก็เป็นธรรมดาบ้างที่อิเลสที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคนที่จะต้องถูกแสดงออกมาต่อเรื่องราวเหล่านั้นตามสิ่งที่มันคุ้นเคยสิ่งนี้มันเคยเป็นสิ่งนี้มันเคยทำเพราะถ้าหากหวังอยากจะออกจากวัตตะ เาก็คงจะไม่เลือกที่จะทำอย่างนั้นฉะนั้นจึงมองเห็นได้ว่าแรงกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือการแสดงออกถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ยังอยู่ในบังบนของวัตตะอยู่พระอาจาร์เองก็ยังอยู่ในส่วนที่ยังวังบนอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็รอเวลาในการที่จะออกจากโลกมนุษย์นี้ แล้วก็รู้ซึ้งกับโลกมนุษย์นี้อย่างถึงก้นบึ้งของหัวใจแล้วว่าโลกนี้มันควรค่าแก่การอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อจึงไม่แปลกที่พระองค์ตัดสู่แล้วไม่กลับมาสู่มโลกนี้มนุษย์นี้อีกไม่แปลกที่พระอรหันต์าาทั้งหลายที่บรรลุธรรมไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้อีกอตั้งแต่พระอนาคามีไม่กลับมาแล้ว ไม่แปลเพราะถ้าโลกนี้มันไม่มีทุกข์พระองค์ก็คงจะกลับมาแต่เพราะมีมความทุกข์อยู่พระองค์จึงไม่กลับมาและเส้นทางแห่งการไม่มาสู่การกลับมาเกิดนั่นก็คืออริยมรรคถ้าเรามองทุกอย่างมาสู่เส้นทางอริยมรรคและเรเดินไปบนเส้นทางอริยมรรคเราก็จะได้รับผลลัพธ์ทางด้านอริยมรรคนี้คือการดับทุกข์ ภายในตัวเองจริงๆมันมีหลายอย่างที่อยากจะพูดแต่สิ่งที่อยากจะพูดมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้มันพูดได้แต่พูดผ่านแบบนี้ไม่ได้เพราะสังคมเรามันสร้างอิทธิพลบางอย่างให้ได้รู้ว่า ความเกงอกเกงใจที่ผิดผิดมันทําให้เราไม่สามารถพูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูดพูดเอาไปก็เกงใจอันนั้นเกงใจอันนี้เกงใจอันนั้นเกงเกงเกงใจกัเบเบิดเลยก็พูดไม่ได้พอพูดไม่ได้ก็เก็บงําไว้พอเก็บงำไว้มันจึงมีนิสัยหน้าไหวหลังหลอกในสังคมไทยเรามากมาย ต่อหน้าดีมากเลยรับหลังเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราเลยไม่รู้ข้อมูลเท็จริงอะไรกันจริงๆเลยเพราะเราไม่สามารถพูดถึงปัญหาที่เป็นข้อเท็จริงที่จะเอามาสู่การแก้ไขฉะนั้นการพูดถึงปัญหาที่เอามาสู่การแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้พูดเพื่อทําร้ายหรือกล่าวกระทบให้เกิดสิ่งที่ ไม่ดีต่อกันหรือไม่ได้เป็นการสร้างความล่มจมชิบหายให้แก่กันและกันการพูดถึงปัญหาเพื่อเอาปัญหามาสู่การแก้ไขการที่จะแก้ไขปัญหาจะละเลยในการพูดถึงปัญหาไม่ได้มันต้องพูดถึงปัญหาก่อนถึงจะพูดถึงเหตุของปัญหาแล้วจะพูดถึงว่าเราจะดับปัญหานั้นอย่างไรและวิธีการปฏิบัติต่อการที่จะดับปัญหานั้นจะดับอย่างไรแต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงปัญหาแล้วปัญหาเนี่ยมันวงกว้างมากเลยและมันเกี่ยวข้องกับคนมันเกี่ยวข้องกับระบบมันเกี่ยวข้องกับ อะไรที่มันอยู่ในจุดที่เขาไม่อยากให้แตกพระอาจารย์ปกติอยู่ใช่ไหมปกติอยู่ใช่ไหม <c oughs> ดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยายังดีอยู่มีสติอยู่นั่ น, น่ยคือมันมันมันก็นยอมรับไม่ว่าจะเกิดเสียงหรือแรงกระทบอะไรกลับมา ถึงพระอาจารย์เองก็ตามพระอาจารย์ก็จะยอมรับในสี่ดี่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าเราทิศ ต, ตนให้กับพระพุทธศาสนาแล้วก็คือ <laughs> พยายามอยากจะทำให้ศาสนานี้มาเป็นสาระสำคัญจริงๆวันนี้ไม่มีคอมเมนต์เลยเหรอวันนี้ <laughs> รู้สึกรู้สึกพูดคนเดียวนี่มัน <laughs> อืมก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท, ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังพระอาจารย์นะแล้วก็ถวายความเคารพ ก, กับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่กําลังชมพระอาจารย์อยู่แม้จะไม่แสดงตนออกมาก็ตามพระอาจารย์ก็พอจะทราบได้ว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านคือธรรมะของท่านงดงามมากท่านได้เตือนสติท่านได้ให้ข้อธรรมท่านได้แนะนําท่านได้ประสบการณ์ของท่านที่ทําให้พระอาจารย์ต้องเรียนรู้ในการในการที่จะ สร้างประโยชน์ให้กับศาสนาสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนครูบาอาจารย์ทุกท่านในประเทศไทยเรานี่มีความดีหลายรูปมากหลายองค์มากหลายหลายท่านมากที่อาจารย์ยกไวเ้เหนือเสียเหนือก้าวเหนือความเคารพเหนือคือคือเคารพองค์ท่านอย่างเป็นที่สุดแต่สิ่งที่อาจารย์ทํามันคือสิ่งที่อาจารย์ทําคือมันเป็นตัวพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทําไมพระอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ พระอาจารย์ต้องพาทําอย่างนี้พระอาจารย์ต้องเลือกที่จะทําแบบนี้บางอย่างก็ขัดแย้งกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทําอยู่เหมือนกันนะแต่ท่านก็รู้ว่าพระอาจารย์กําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ขัดแย้งบางอย่างกับท่านอยู่แต่ท่านก็ก็ให้สติมาเหมือนกันก็ก็ยอมรับในการให้สติในสิ่งที่ท่านบอกมาต่อไปนี้ก็จะขอเข้าไปหาครูบาอาจารย์ทุกท่านจะไปถวายความเคารพแล้วก็ ขอความเห็นขอคําแนะนําในการที่จะทาหน้าที่ฮอนศาสนาคู่หนึ่งในฐานะของพระพิสุในฐานะ ข, ของคนที่บวชเข้ามาในฐานะที่ไม่หวังประโยชน์อะไรเลยจากใครแม้แต่จะหวังประโยชน์จากศาสนานี้ก็ไม่หวังแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับศาสนานและสิ่งที่พระอาจารย์พูดไม่ได้พูดเพื่อต้องการตอบสนองต่อชนกลุ่มใดหรือ หรืออะไรลังเกียดชนกลุ่มใดปฏิเสธชนกลุ่มใดหรือทำเพื่อชนกลุ่มใดพระอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นไม่ได้ทำเพื่อให้ใครผู้ใดทั้งสิน้นไม่มีชนกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังให้พระยานทาสิ่งนี้แต่พระอาจารย์ทาสิ่งนี้ด้วยตัวของพระอาจารย์อยากจะทำประโยชน์ให้กับศาสนา อยากให้ศาสนามีคุณค่าที่ถูกเลือกในชีวิตของคนเป็นศาสนาที่มีความสาคัญที่เขาเลือกเอาไปใช้กับวิถีชีวิตที่เขานำไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับทุกได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำของยากให้ง่ายทำของลึกให้ตื้นทำของความที่ความอยู่ให้ง่ายขึ้นทาของเื่อให้สว่าง เราก็ควรจะทำให้มันง่ายกับศาสนาถ้าเราพยายามทำให้มันยากมันก็จะยากไปกว่าเดิมหลายคนแทบจะไม่เคยรู้จักพระอาจารย์เพียงแค่ฟังบางคำที่ทำให้เขาคลายทุกข์หรือดับความทุกข์ได้แล้วเขาก็ปฏิบัติโดยที่ไม่รู้จักพระอาจารย์เลยนะจนสามารถสิ้นทุกข์ได้ คำว่าสิ้นทุกแไม่ได้พูดไต่ม่ได้ม่ได้พูดถึงเรื่องการบรรลุบรรลุนะคือมีคนคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นซึมเศร้าแล้วก็พยายามหาทางออกจากซึมเศร้าเหล่านี้บางคนไม่รู้หรอกว่าคําว่าซึมเศร้าแล้วจิตเขาอยู่ในโลกของความโหดร้ายขนาดไหนเขามองตาดูโลกเนี่ยเขาไม่ได้เห็นโลกเป็นสีสดใสชมพูแบบที่พวกเราเห็นกันเขามองดูโลกแต่เขารับรู้อารมณ์ที่มันอยู่ข้างในที่มันโหดร้ายซึ่งเขาอยู่กับสิ่งเนี้ยเป็นสิบสิบกว่าปีคิดดูใช่ว่าชีวิตเขา เป็นชีวิตที่ไม่มีชีวิตชีวาเลยแล้วเขาอยากจะออกจากตรงนี้แล้วเขาไม่สามารถที่ออกจากตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่หาวิธีทางที่จะออกนะปรึกษาจิตแพทย์รับยาหาวิธีบาบัดทุกวิธีทางวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงแห่งธรรมเข้าไปกระทบกับความรู้สึกข้างในแลน้วดึงเขาออกจากโลกของความปวดร้ายเหล่านั้นกลับมาอยู่ในโลกของปกติ ไม่เคยเจอพระอาจารย์ไม่รู้จักพระอาจารย์แล้วก็ใช้วิธีการนี้จนเขากลับมาหายเป็นปกติมีศักยภาพทาง จ, จิตใจชีวิตที่ดีมากขึ้นมากราบแล้วมาบอกมาแล้วมาเล่าให้ฟังคิดดูสิว่าพระอาจารย์ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้แล้วพระอาจารย์รู้สึกยังไงแล้วจะให้พระอาจารย์หยุดในการที่จะไม่ให้เขาได้รับ ประโยชน์จากหลักธรรมคำสอนความรู้ที่ศาสนาจะมอบให้เขาให้เขาได้รับประโยชน์จากตรงนี้หรืออย่างไรสิ่งนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าทั้งหมดที่ทำออกมาพระอาจารย์เองไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยซ้ำแม้แม้อาจจะถูกมองว่าสิ่งที่พระอาจารย์ทำนี่มันคือประโยชน์ของพระอาจารย์นั่นคือการถูกมอง แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าพระอาจารย์เหนื่อยยากแค่ไหนพระอาจารย์แบกรับอะไรพระอาจารย์อยู่กับความเจ็บป่วยมานานสักเท่าไหร่พระอาจารย์อยู่กับการฉันไม่ได้นอนไม่หลับคําว่านอนไม่หลับไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่อยากจะหลับนะแต่มันมีงานที่ต้องทําหลายอย่างที่หลับไม่ได้หลายเรื่องปัญหาเข้ามาพระอาจารย์ไม่ได้รับปัญหาด้านเดียวนะ รอบดันมากแม้แต่คนบางคนมาแบบไม่มีหมดเนื้อหมดตัวมาเลยมาอยู่ที่นี่ก็ให้อยู่ตั้งหลักตั้งชีวิตได้เอาเงินให้ไปต่อสู้ชีวิตต่อในโลกโลกที่เขาจะต้องใช้ชีวิตของเขาช่วยเหลือเขาบางคนเป็นฆาตกรฆ่าหันศพ ไปที่ไหนก็ไม่มีใครยอมรับให้เขาอยู่ในสังคมนั้นเกิดกจิตวิปลาสจิตเภทกินยาสีทันยาฆ่าหันศพที่ขึ้นขาวหน้าหนึ่งก็มาที่นี่คนที่นี่ปฏิเสธไม่ต้องการให้เขาอยู่ขับไล่เขาพระจ้งก็บอกว่าอยู่ที่นี่ต่อไป เราลึกถึงพระราชนตไตรตั้งใจปฏิบัติคนเราไม่ได้เร็วตลอดไปองค์คุลิมานสามารถเป็นบรลลุอาลัหันได้เขาก็พลิกจากคนที่มีจิตจิตที่ยั่วิปราชจิตที่เป็นอะไรตรัสาัตเป็นผีผ่าอะไรที่เขาพาะ สีทัญญานะกลับมาเป็นปกติไปทำงานใช้ชีวิตด้วยสัมมาอาชีพตั้งสัตตปฏิยานกับพระอาจารย์มาตั้งแต่นี้ต่อไปจะได้ไม่ทำความช่วยอีกมีคนแบบนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ, ๆซึ่งพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคนที่กำลังกล่าวโจมตีพระอาจารย์ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แค่ไหน แน่นอนมุมที่เขาฟังเขาก็ฟังมุมนั้นแล้วก็ใช้ความรู้สึกของเขาตัดสินในสิ่งที่พระอาจารย์เป็นว่าเป็นแบบนั้นแต่ในมุมที่เขาไม่เคยเข้าใจก็ยากมากที่จะทําให้เขาได้เข้าใจและแน่นอนว่าการตามกล่าวแก้เรื่องที่มีคนที่เข้าใจเราผิดมันเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเรา เป็น้าละเฉยๆเพราะคนที่เข้าใจเรากิีมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วฉะนั้นไม่จาเป็นที่เราจะต้องไปอธิบายให้คนมาเข้าใจว่าเราเป็นแบบไหนยังไงส่วนใครจะเข้าใจมันเป็นทศนะของเขาเองที่เขาแสดงออกมาซึ่งมันเป็นลักษณะของการตีแผลธรรมชาติอันเป็นเนื้อในของเขาฉะนั้นแล้วพระอาจารย์เองก็ออกมาพูดก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเพียงแต่ว่า ธรรมนาวาที่ล่องลอยมาตั้งแต่ปี2549ลำพังพาฟาขึ้นลมมรสุมอะไรต่างๆมาจนมาถึงเวลานี้เมื่อวานนี้ก็ได้รับกำลังใจจากคณะญาติโยมมาเป็นจำนวนมากทำให้ธรรมนาวานี้ได้ขับเคลื่อนไปด้วยแรงศรัทธาของ คณะญาติโยมพุทธบริษัทที่หวังอยู่ว่าเรือแห่งธรรมลำนี้จะเป็นเรือที่พาเราไปสู่ฝั่งอันปลอดภัยธรรมนาวาที่พระจานทร์ตั้งขึ้นมานี้มีจุดประสงค์ดึงคนให้พ้นจากทะเลแห่งความทุกข์จุดประสงค์ของธรรมราวาคือนำพาคนพ้นขึ้นฝั่ง กี่ครั้งยากกี่ผลก็อดทนมาโดยตลอดเพื่อที่จะให้เรือลำนี้ล่องลอยรอรับผู้คนที่ลอยคออยู่ขึ้นมาสู่บนเรือนี้เพื่อจะได้รับประโยชน์และพ้นออกจากโทษและภัยที่อยู่ในทะเลและด้วยการที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายกาลังใจมาธรรมนาวาลํานี้ จะรักษาศรัทธาของผู้ทธบริษัตทั้งหลายหรือญาติโยมทุกคนที่มอบศรัทธาไว้ให้กับธรรมนาวาลำนี้แล้วก็ตั้งใจอยู่ว่าจะขับเคลื่อนธรรมนาวานี้ไปจนปราบลมหายใจสุดท้ายของพระอาจารย์เองแล้วก็เชื่อว่าจะมีบุคคลที่เป็นแบบเดียวกันกับพระอาจารย์ มานํำทำนาวาลํานี้ส่งต่อไปถึงผู้คนดูเหมือนจะจบจบจบดีหรือปังดีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าต้องตอบคําถามตอนนี้ตอนตอนนี้คนดูพันหกครับ <S <S แต่ว่ายังไม่มีคนถามว่ามีแต่คนให้กําลังใจพระอาจารย์เต็มไมดเลยครับเอ่อถ้าใครทางไลฟ์มีคําถามก็ส่งมาถามพระอาจารย์ได้นะครับ มีแต่ค น, คนพยอนอ<จ>์ไปในช่วงสิบปีที่แล้วพระอาจารย์เคยเอาหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยมานั่งสอนคนแต่ก่อนหนังสือพระไตรปิฎกนี่ตั้งอย่างนี้เลยนะสองข้างเลยนะตั้งมานั่งสอนคนเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านแท้ๆนี่แหละอ่านแล้วก็สอนให้เขาทำตามแบบนี้นะเขาก็บอกว่าไอ้พวกแบกตำราว่า สอนแบกตำราคนเข้าไปถึงฟังแล้วเขาไม่แบกเรือขึ้นฟังห็อกเข้าไปคือเยยเยยแล้วก็เนบแนมมาเอนี่คือสังคมสังคมพุทธเราออกแบบศา ส, สนามาอย่างนี้ผู้คนในสังคมเราได้รับอิทธิพลของศาสนามาในศาสนาบแบบไหนพระอาจารย์ไม่เคยไม่เข้าใจจริงๆ เอาพระไตรปิฎกมานั่งสอนนั่งอ่านก็บอกว่าแบกตำราเอาตำรามาสอนไม่เอาความจริงมาสอนไม่เอาสิ่งที่เองปฏิบัติมาสอนอ่านได้แต่ตำราเท่านั้นแหละแบกตำราเหมือนกับแบกเรือขึ้นฝั่งนั่นแหละเขาว่าคุไงก็คือโง่ออนี่แหละ <laughs> เออเนาะอันนี้เราอยู่ในสังคมของพุทธบริษัทพุทธพระบริษัท พุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบริษัทก็คือบริษัทคือผู้อยู่ร่วมกันในสังคมพุทธอยู่ร่วมกันเราอยู่ในสังคมที่เยอยหยันกันที่เป็นพุทธเราอยู่ในสังคมที่เหยียบความรู้ของกันและกันเราอยู่ในสังคมที่พร้อมที่จะเหยียบกัน ให้จมเราอยู่ในสังคมที่จะกล่าวโจมตีใครก็ได้ที่จะให้หายออกไปจากพื้นที่ที่เขาไม่ต้องการนี่คือสังคมพุทธหรือว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในสังคมอะไรแม้พายเรือหรือนั่งเรือถึงฝั่งแล้วไอคนที่บอกว่า นั่งเรือถึงฝั่งแล้วไม่อย่าไปแบกเรือขึ้นฝั่งทิ้งเรือเสียอย่าเอาตำลามาสอนพูดไปแต่ตามตำลามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้หรอกเขาพูดแต่ตำลาสมัยนั้นนะสมัยนั้นอาจารย์ก็อืใจใจโหดร้ายใจดำขนาดนั้นเลยว่าแม้เราจะถึงฝั่ง อย่างน้อยเราก็ยังส่งเรือให้คนอื่นที่ยังในฝักรลอยอยู่หรือลงเรือเนี่ยลอยไปดึงเขาขึ้นมาสู่ฝั่งไม่ได้ทิ้งเรือธรรมนราบาก็เลยเกิดขึ้นตอนนั้นเพราะต้องการรักษาเรือเพราะเรามาขี่เรือมามาถึงฝั่งเนี่ยเราเห็นประโยชน์ของเรือมากเห็นประโยชน์ของเรือมากกว่าฝั่ง ควาไม่มีเร <champagne> ja ือจะขึ <aya> sal ้นขึ้นฝั่งได้ยังไงจะเป็นล่ะก็เลยโอ้โหประโยชน์ของเรือมากเลยพยายามประคองเรือเนี่ยล่องลอยไปดึงคนขึ้นเรือดึงคนขึ้นเรือดึงคนขึ้นเรือแล้พาเขาขึ้นฝั่งกันปลอดภหยทามาอย่างนั้นในสิบปีที่ผ่านมาก็ถูกโจมตีในเรื่องของการใช้ตําราพระไตรปิฎกมาอ่านอ่านอ่านศึกษาให้อธิบายให้คนฟังก็โจมตีอย่างนี้พอมาถึงจุดหนึ่งที่พระอาจารย์ไม่ใช้ตําราไม่ใช้ตําราเอาความรู้ทั้งหมดมาสอน สร้างองค์ความรู้ขึ้นมามาสอนก็บอกว่าไม่ตรงกับพระไตรปิฎกบ้างไม่ตรงกับขอพระสูตรบ้างไม่ตรงกับพุทธพจน์บ้างไม่ตรงกับอะไม่รู้จะเอาอยัางไงกับกับศาสนานี้แต่ขอยอมรับขอยอมรับคือครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ที่ที่ผมพูดในเวลานี้ผมมาได้พูดเพื่ออ่า ลามาดหรืออะไรนะครับผมผมยอมรับในคำแนะนําคำตักเตือนที่ผ่านมาทั้งหมดอันนั้นผมยอมรับผมยอมรับในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะแก้ตัวหรืออพูดเชยใช้ใชไปเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าในสิ่งที่ผมเป็นมาหรือเจอมาแต่ละที่แต่ละอย่างมันคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาสู่ศาสนาคือเดินเข้ามาบวชเนี่ยจริงๆไม่ได้มาด้วยศรัทธาด้วยซ้ำ แล้วมาเจอบางอย่างที่ทำลายศรัทธาบนจิตใจของเราด้วยแล้วก็เคยมีเหมือนกันที่ศรัทธาที่เคยมีเหลืออันน้อยนิดเนี่ยเกือบจะหมดสิ้นไปจากศาสนานี้ก็เคยมีแต่ที่มันกลับมามีศรัทธาได้อีกครั้งเพราะมันได้เจอความรู้อันหนึ่งบนการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงจิตตลอดทั้งชีวิตของพระอาจารย์ในเวลานี้มันไปเจอความรู้อันนั้นน่ะที่เปลี่ยนแปลงทัาทำให้ศรัทธาอย่างมั่น อย่างไม่พรอนแคนตายวันตายพุ่มก็ไม่มีปัญหากับชีวิตนี้ได้มอบให้กับพระพุทธศาสนาแล้วด้วยความรู้นั้นมาเลยดึงศรัทธาขึ้นมาแล้วดึงมาสู่การเห็นคุณค่าของหลักคําสอนแล้วก็อยากจะมอบหลักคําสอนนี้ผ่านองค์ความรู้ให้กับผู้คนอันนี้นเป็นลักษณะบ่นหรือเปล่า พ, พูดอย่างนี้คือบ่นไหม บทหรือกำลังระบายหรือเป็นหมดทุกอย่าง <c oughs> มีอะไรถาม ก, กับนักรศการพระอาจารย์ตนครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะประเด็นที่กำลังมีรถทัวร์มาแวะเวียนในในช่วงนี้ครับทั้งทางเพจแล้วก็หลายๆกลุ่มครับถ้าในมุมมองของกรับผมเองเนี่ยใน ฐานว่าอยู่ในถ้าจะขออนุญาตเรียกวงการพระพุทธศาสนามาก็หลายสิบปีครับแต่ก็คิดว่าโอกาสนี้ที่ทัวมาลงเยอะๆเนี่ยครับน่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของพระธรนมตรัยนี้กระจรกระจายครับหนึ่งล้านคนน่าจะมาตอนนี้แหละครับผ ม, ผมคิดว่านะครับเพราะว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมโดยเฉพาะมีศึกษาพุทธศาสนาด้านไหนมาบ้าง ก็ทั้งสด้านครับยังไงบ้างทั้งนักธรรมบาลีอภิธรรมครับนักธรรมบาลีจบมาครับบาลีก็ได้ศึกษามาครับอภิธรรมก็ได้ศึกษามาครับก็เป็นหลักฐานยืนยันจากแู้อาจารย์ครับว่าเรียนมาหลายสิบปีแล้วก็ถ่ายทอดบรรยายสอนก็หลายสิบปีครับแต่ ยังไม่สามารถที่จะได้ริ้มรสครับเหมือนกับท่พีเป่าแต่ก็ยังได้ได้ไดไดใช้สอนอบุคคลทั่วไปครับจนกว่าได้มาฟังพระอาจารย์ครับก็เลยขอเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นผลลัพธ์หนึ่งครับที่เมื่อได้ฟังเรื่องอริยสัจสีแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ครับจากหน้ามือเป็นหลังมือ อันนี้เป็นขอยืนยันเป็นผลรับพึ่งยืนยันนะอริย ส, สัจสี่พระอาจารย์ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากล่าวพระอาจารย์ครับถู ก, ถ, กถูกต้องครับอันนี้คือยอมรับว่าไม่ตรงจริงครับอเพราะว่าศึกษามาเยอะก็ได้ยินพระอาจารย์พูดแม้แต่เรื่องของสมุดไทยเดิ ม, มสมุดไทยเก่าครับ อ, อันนี้ก็เพิ่งจะได้ยินแต่พอเราน้อมเข้ามาครับมาใส่ตัวเองมาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอ อ๋อเจตนาที่มันเราไม่ได้มีเจตนาแต่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับก็รู้ว่าอ๋อก็เลยเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียนจากพระไตรปิฎกมามันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์ไม่ได้แต่พระอาจารย์เอามาขบตีแล้วก็วิเคราะห์ให้ครับเหมือนกับป้อนอาหารให้ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็เรามาจับลงสภาวะในเรื่องขันห่านะครับมันง่ายมากเลย เหมือนกับเราเห็นทางว่าโอ้แต่ก่อนเคยคิดว่าขนทางที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้คือพระนิพพานนะครับน่าจะอีกหลายแสนชาติก็พยายามบําเพ็ญบารมีครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยเราเห็นขนทางแล้วมันเหมือนกับมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับเพราะว่าเราเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อ๋อมันมันเป็นแบบนี้เองที่เราเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็สอนคนอื่นตั้งเยอ ะ, ะอ เ, งเอง เี่ว่าเราเอามาใช้ยังไม่ได้ครับคือเราไม่ได้ยกขึ้นสู่การพยายาิจารณาการเกิดดับของอารมณ์แล้วก็สิ่งที่มากระทบทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจครับก็เลยขออนุญาตว่าเป็นผลลัพธ์หนึ่งของพระอาจารย์ครับอันนี้ไม่มีใครเขียนบทให้พูด น, นันี่มีไหมพูดเองนะพู ด, พดเองครับพูดจากใจใช่ไหมพูดจากใจครับแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงครับที่อ มีครูท่านหนึ่งนะครับที่พยายามจะมีมีสิ่งที่โ จ, จมตีท่านก็คงจะขออนุญาตเอ่ยนามได้นะครับครูเงาะผมว่าท่านกล้าหาญมากครับที่กล้าพูดที่มันกระเทือนกระเพื่อมสังคมมากนะครับโดวยเฉพาะเรื่องที่เราเคารพรับถือที่พระอาจารย์บอกว่าคนเราเกรงใจไม่กล้าพูดคือถ้าไม่กล้าพูดแบบนี้มันก็จะไม่กระเพื่อมครับบางทีก็ต้องอาศัยอย่างครูเงาะอย่างน้องวันนี้ครับเป็นเป็นผู้ที่กล้ากล้าแสดงออก คนที่มีทุรีในดวงตาน้อยนี่ผมว่ายังมีอีกเยอะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ ย, ไมยังไม่มีโอกาสได้ฟังสัจธรรมแต่เมื่อมีโอกาสมีคนกระเพื่อมมีรถทัวร์มาเยอะๆครับผมว่ามันเป็นโอกาสดีมากเลยที่จะทำให้คนที่เอ๊ะพระอาจารย์ต้นไข่เหมือนกับกระผมที่เคยเป็นมาแล้วเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วครับคิดว่าน่าจะมีคนแบบผมอยู่คือได้ยินเรื่องเขาโจมตีแล้วเราก็เข้ามาดู พอมาดูแล้วอ้าวมันเป็นแบบนี้เองเลยทำไมเพิ่งจะเห็นตอนเมื่อเราจะแก่แล้วประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้นั่นครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับที่ได้เจอถูกต้องตรงตามเวลาที่ได้สะสมมาครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่แหละว่าเวลาเราพูดความจริงอะไรออกไปแล้วมันก็กรทบกับความเชื่อหรือค่านิยมเดิมที่ถูกผูกติดหรือฝังรากลึกอยู่ในความรู้สึกของคน มันก็เลยต้องเป็นแรงสะท้อ น, นตีกับแต่เวลาที่คนเขาพูดอันนี้ขังอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดนบันดาลอันนั้นบูชาแล้วรวยอันนั้นทันใจอันนี้รุ่นหมื่นล้านเขาพูดกันเป้่าเป้าเป้าเป้าเปลาเ ป, า ป, า ป, า ป, าปาออกทางโซเชียลออกทางได้รับกระแสตอบรับอย่างสูงสง่งซึ่งยังไม่ใช่หลักการทางพระพุทธศาสนากลับได้ถูกยอมรับ แล้วยอมรับกันโดยดุสเดีแล้วยอมรับกันโดยที่ไม่กล้าที่จะไปไปแสดงทัศนะอะไรในคำพูดแบบนั้นทั้งท่านที่ไม่ใช่หลักการทางพุทธศาสนาแต่พอพูดถึงสิ่งที่เป็นหลักการทางพุทธศาสนาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่หลักการที่พระองค์ตัดไว้กระแสการโจมตีกลับมาที่นี่โดยชาวพุทธเองโดยชาวพุทธเองเมื่อเขาพูดสิ่งเหล่านั้นได้ โดยที่เรายอมรับให้เขาพูดศาสนานี้มีใครเป็นพระศาสดามีใครเป็นคนกล่าวสอนมีใครเรานึกถือใครเป็นศาสดาแต่เวลาสิ่งที่เราพูดกลับกลายเป็นปัญหาฉะานั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าชีวิตท่านอาจารย์จะเป็นยังไงก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความจริงมันควรจะพูกพูดถึงและไม่ควรที่จะทําให้ความจริงถูกกลบหรือไม่ได้ถูกลับรู้ให้กับคนในสังคมพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เขาพูดกันอยู่เปา่ปาเปๆเปลปลแล้วเราไปสร้างการยอมรับนั้น มันดึงคนไปสู่ความหนุมงานอย่างไงเรามีหลักคําสอนในศา ส, สนาแล้วทุกๆคําสอนเป็นคําสอนที่พาเราออกจากความทุกข์ได้มันไม่จําเป็นต้องรู้จากคําสอนทุกคําสอนก็ได้มันเป็นไปได้เหรอที่คนคนหนึ่งเข้ามาสู่ศาสนาต้องเรียนคําสอนให้บททุกคำพีตำราแล้วจึงจะพ้นทุกข์ต้องเรียนทั้งบินัยทั้งพระสู่ทั้งพิธรมถึงจะบรรลุธรรม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนี่คือจุดประสงค์ของพทธเจ้าใช่ไหมว่าคนเข้ามาศาสนาแล้วเรียนให้หมดนะเรียนไม่หมดนะไม่มีทางดับทุกข์ได้ถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นภาพของคนที่อยู่แต่กับอะไรก้มดูแต่ตำราแต่ไม่เคยลืมตาดูโลกว่โลกนี้มันคืออะไรโลกนี้มันเป็นยังไง โลกที่อยู่ในแต่วความทุกข์เจอแต่ความทุกข์ปีนแต่ปัญหามีแต่วความร้อนหาทางออกไม่ได้เราพัฒนาประเทศชาติพัฒนาทางด้านวัตถุพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอะไรแต่พัฒนาไปได้หมดเลยแต่เราพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาบุคลากรของชาติเนี่ยทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราพัฒนาไม่ได้บุคคลยังอยู่กับความซึมเศร้าบุคคลยังอยู่กับความอ่อนแอบุคคลยังอยู่กับการพึ่งพาตนเองไม่ได้ศักยภาพหรือ บุคลากรของชาติเนี่ยยังอยู่กับความสิ้นหวังยังอยู่กับความที่ไม่รู้จักว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนบนสังคมที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นั่นคือความเป็นจริงแลนั่นคือข้อเท็จจริงในลหลายๆอย่างฉะนั้นพระอาจารย์จึงมีความจริงใจมากที่จะพูดความจริงอะไรต่างๆออกมาโดยที่มีเจตานาที่ดี แต่เจตนาที่ดีก็ถูกตีความหมายไปในทางที่ไม่ดีจากบุคคลผู้ตีความหมายนั้นเป็นอื่นซึ่งก็ยากมากที่จะทําให้เขาเข้าใจได้คือมันมาถึงยุค 2,567 ปีศา ส, สนาเราจะไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็มีความบอบช้ำทางศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเราน่าจะพอเถิดในเรื่องของการที่จะ ยอะหยันกันยิ้มหยันต่อกันเสียดสีกันเหนียบแนมกันโจมตีกันกล่าวกันในด้านผิดผิดแต่ผิดค่อยๆตักเตือนกันผิดค่อยๆบอกกันอะไรถูกก็ค่อยๆแนะนํากันถ้าอาจารย์เปิดการแนะนําทวงติง้งรับข้อเสนอแนะรับความคิดรับความรู้รับความเห็นที่จะนํานไปสู่การสร้างสรรค์ ศา ส, สนาร่วมกันอาจารย์ขอเปิดรับทั้งหมดหากท่านใดก็ตามมีเจตนาดีต่อพุศาสนาและอยากจะให้ศาสนาเป็นไปในจุดที่ถูกต้องอาจารย์เปิดรับทุกๆฝ่ายจะเป็นฝ่ายใดก็ตามอาจารย์ก็อยากจะเดินไปบนเส้นทางศา ส, สนาร่วมกันกับพวกเราทุกคนเหมือนกันพอาจารย์ไม่ได้อยากจะเดินแบบแยกตัวเองออกมาต่างหาก โดยที่ไม่ได้สนใจกับผู้คนอื่นที่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางศาสนานี้แล้วมาเก่าโจมตีกันเป็นเพียงแต่ว่าพระอาจารย์ยังไม่เห็นใครที่ลุกขึ้นมานําพาศา ส, ะสะนาที่สร้างความสําคัญให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาสู่การนับถือศาสนาคนที่สิ้นศรัทธาให้กลับมามีศรัทธาคนที่หันไปนับถือศา ส, ะสะนาอื่นกลับมาสู่การนับถือศาสนาเดิม และศรัทธาที่เป็นศูนย์แล้วกลับมาใหม่ได้มีแต่คนเห็นเห็นแต่การคนเดินออกเดินออกเดินออกเดินออกเดินออกเดินออกแล้วก็สร้างสิ่งอื่นๆมาทดแทนการพึ่งพาพระรัตนตรัยให้ไปพึ่งพาอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเมื่อสิ่งอื่นที่ถูกสร้างขึ้นมาให้พึ่งพาทดแทนพระรัตนตรัยแล้วคนไม่สามารถพึ่งพาพระรัตนตรัยได้พึ่งพาแต่สิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยซึ่งอยู่นอกศาสนาทั้งหมดเหล่านั้น เราไม่ต้องอาศัยนักโหราศาสตร์หรือหมอดูมานั่งพยากรณ์เลยว่าศาสนาเราจะเป็นอย่างไงแล้ววันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าศาสนาเราน่าเป็นห่วงขนาดไหนมันมันสะท้อนออกมาอย่างที่ไม่พระอาจารไม่พูดมันก็สะท้อนมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่การที่มาพูดก็เพื่อต้องการอยากจะหาข้อคิดเห็นร่วมกันนี่แหละ ว, ว่าเราจะพาศาสนากันไปอย่างไงต่างหากนี้คือสิ่งที่ต้องการ เพราะฉะนั้นแล้วก็หวังอยู่แต่ว่าศรัทธาของพวกเราเนี่ยจะยังทําให้พระอาจารย์ยังสามารถทําหน้าที่ของผู้นําพาหลักการนี้ให้เข้าไปถึงผู้คนต่อไปได้ในอนาคตก็หวังอยู่แต่เพียงแต่นั้นถ้าทหมดศรัทธาหรือสิ้นศรัทธาต่อ ก, กันก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรการอยู่อย่างสงบเงียบอยู่ตัวคนเดียวนั่นคือความประสมของพระอาจารย์ต่างหาก จริงเอาจริงๆเนี่ยหรือคนเดียวนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการมาโดยตลอด <c oughs> มีมีแต่คนบอกว่าขึ้นเรือแล้วไม่ยอมลงเจ้าค่ะเขาบมีคำถามอยู่นะคระับอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ชิญผมขอตั้งข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิอันนี้จะจะยกไปนะครับที่ที่เข้ามาคอมเมนต์แต่จะพูดถึงคนที่ท่านมีสัมมาทิฏฐิอาจจะขออนุญาตที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างหรือว่านักปราชญที่ท่านเข้ามาคอมเมนต์โดยเฉพาะในในช่วงนี้ครับว่าให้ลูกศิษย์พระอาจารย์เบาๆหน่อยอย่าไปออกตัวแรงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่เข้าใจและก็วิเคราะห์ตัวเองว่า ท่านเองท่านที่เป็นนักปราดับต่างๆเนี่ยท่านอาจจะยังติดที่ตัวอักษรติดที่อักขระหรือว่าติดที่บัญญัติอยู่ครับอย่างตัวของกระผมเองเนี่ยขออนุญาตว่าช่วงแรกๆครับเรื่องขันทาตศยตนะต่างๆเนี่ยตอนที่ท่านพญานุษย์บอกให้พิจารณาลมก็คือจะพิจารณาชื่อมันครับแต่พอหลังๆผ่านไปประมาณ4ี่หเดือนไม่ได้เรียกชื่อสักอย่างครับพญานุษย์อะไรที่มันปรากฏมาก็อ๋อ ดูแค่ลักษณะของมันครับไม่ไม่ไม่ได้เรียกชื่อมันเลยครับว่ามันมันเป็นอะไรแต่มันมปรากฏสิ่งที่มันปรากฏกําลังปรากฏอยู่ครับแต่ไม่ได้ไปเรียกชื่อมันเลยก็เลยอ๋ออย่างนี้เองเลยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าประมาภิกับบัญญัติมันแยกกันอย่างนี้นี่เองเพราะไม่ต้องไปเรียกชื่อเพราะฉะนั้นที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยผมว่าตรงที่บัญญัติเรียกชื่อครับก็เลยก็เลยอาจจะทําให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงบางที ก็เลยทําให้มีบอกว่าไม่ตรงกับทบ่าไตรปิฎกอะไรประมาณนั้นครับจริงๆพระอาจารย์ก็เคารพในการเป็นห่วงของครูบาอาจารย์ทุกท่าน<ม>ก็ซาบซึ้งด้วยที่ท่านคอยชี้ในจุดที่เราควรจะแก้ไขพระอาจารย์ก็ยินดีอย่างมากเลยในการที่ท่านบอกมาแต่ก็อยากจะให้เข้าใจบริบทในจงังหวะบางจงาังหวะบางสิ่ง มันก็ควรจะพูดอยู่แต่ก็รู้ดีว่าพูดออกไปแล้วจะเกิดอะไรตามมาแต่ถ้าจะไม่พูดเลยปัญหาบางอย่างที่ควรจะได้รับการพูดมันก็จะได้ไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่ได้นามาสู่การแก้ไขหรือรับรู้ร่วมกันว่าเราควรจะแก้ไขอะไรทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้พระอาจารย์มองว่าคนที่มีใจรักพระพุทธศาสนามีเยอะทำให้ได้เห็นว่าเวลาพระอาจารย์พูดผิดมีคนเข้ามาให คำแนะนําให้ความรู้หรือแม้กระทั่งคําโจมตีอะไรต่างๆกาทําให้เห็นว่านั่นคือโอ้ยังมีคนรักพระพุทธศาสนาเยอะอยู่ยังมีคนที่อยากจะรักษาข้อเท็จจริงที่เป็นสัจจะหรือเป็นคําสอนของพระพุทธองค์ไว้มากอยู่พระอาจารย์มองเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็พระอาจารย์เองก็พร้อมที่จะแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ให้มันตรงกันแต่ก็มีหลายสิ่งที่อยากจะทํา ให้มันเป็นใช้คำว่าพัฒนาหรือขัดเกลาก็ได้ไม่ว่าแต่ในแง่ของเชิงวิชาการตํำรับตาําราองค์ความรู้อยากจะพัฒนาอยากจะขัดเกลาไม่ใช่ตัวพระอาจารย์องค์เดียวหรอกคือถ้าร่วมกันได้ในบุคคลผู้มีใจรักต่อพุทธศาสนาเนี่ยแล้วทําให้ศาสนาเป็นองค์ความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ทําให้ถูกเข้าใจผิดและใช้องค์ความรู้นี่ในการแก้ไขสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ย ให้ไม่ได้ถูกยอมรับคือสร้างความเข้มแข็งให้ศาสนาให้เกิดขึ้นทุก ว, วันนี้เราอ่อนแอจนยอมรับเอาสิ่งอื่นเข้ามาเป็นจุดดึงความสนใจคนเข้ามาสู่ศาสนาแม้เขาจะเข้ามาวัดก็ตามแต่ไม่ได้เข้ามาวัดเพื่อเข้าถึงศาสนาแต่เข้ามาวัดเพื่อต้องการวัตถุอะไรอย่างบางอย่างที่พระทําให้ถ้าพระไม่ทําวัตถุให้เขาก็ไม่มาแสดงว่าเขาไม่ได้ศรัทธาพระสมด้วยซ้ําเขาศรัทธาแต่ว่าวัตถุที่พระทําให้นะ่ะครั้งอย่างไร พอเขาพระองค์นี้ไม่ทําวัตถุให้อีกต่อไปจะสอนเรื่องพระรัตนตรัยที่ไม่ใช่วัตถุเข้าไม่มาแสดงว่าเขาศรัทธาอะไรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาไม่ได้ศรัทธาพระพุทธศาสนาไม่ได้ศรัทธาพระรัตนตรัยไม่ได้ศรัทธาพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ดยซ้ําอยากยได้แต่วัตถุชนิดนั้นๆมันจึงกลายเป็นการสร้างพื้นฐานของคนที่เข้ามาสู่ศาสนา ไม่ถูกประเด็นการเข้ามาสู่ศาสนาควรจะเข้ามาให้มันถูกตั้งแต่แรกคือการเข้าถึงรัตนตันาตายศรัทธาในพระสงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมศรัทธาในคําสอนที่จะเอาคําสอนไปใช้ต่างหาเดินมาปุ๊บหยิบเอาแก่นไปใช้บนชีวิตของตัวเองได้เลยไม่ใช่เดินมาปุ๊บผ่านอันนี้พิธีผ่านอันนั้น อ, อะไรสนบธรรมเนียมเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้อง นักรู้แล้วก็ควรเข้าใจร่วมกันในไหนก็บ่นมานานแล้วยังจะให้บ่นอย่างนี้ต่อไป อ, อีกมั้ะพอได้แล้วมั้งยมมีกันเท่าไหร่ที่ดูอยู่ตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับยังไม่ยอมออกเลยครับแล้วก็มีคำถามอยู่ครับอาจารย์จะปล่อยวางความคิดอย่างไรเมื่อความเมื่อเจ็บป่วยคะมีความกังวลจนนอนไม่หลับ เรื ain, society, ocean, ่องของความเจ็บป่วยกับความคิดที่มีความรู้สึกต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะอาจารย์อยากให้เข้าใจว่าร่างกายมันทำหน้าที่ของมันในเรื่องของความเจ็บพระองค์ตัดอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาขนาดความตายมันยังธรรมดาเลยแต่ตอนนี้มันเป็นความเจ็บจู่ยังไม่ถึงขั้นตายก็ควรจะดีใจว่าเอยังไม่ถึงขั้นตายอย่างน้อยยังมีเจ็บอยู่ เพราะคนที่ไม่เจ็บก็คือคนตายฉะนั้นถ้ายังเจ็บอยู่ยังไม่ตายดีใจว่าเรายังไม่ตายนะแล้วจะทำยังไงเข้าใจความเจ็บที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงที่มันกำลังเจ็บอยู่ว่านี่คือความเจ็บความเจ็บกำลังเกิดขึ้นกับเราความเจ็บนี้จัดเป็นทุกขสัจจะเรียกว่าความจริงที่มันจะต้องเกิดความจริงที่เป็นทุกขสัจจะนี้ไม่ใช่กิเลส มันเป็นเวธนามันแสดงออกถึงสภาพการแห่งความแปรปวนความไม่เป็นไปตามปกติของร่างกายที่มันเป็นดังนั้นการสร้างความเข้าใจบนจิตใจของตัวเราต่อความเจ็บที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านั้นจะทำให้จิตได้รับประโยชน์ทางด้านปัญญาและไม่ต้องไปหาวิธีการใดๆก็ตามที่จะไปวางใจแต่ให้สร้างความเข้าใจกับความเจ็บที่เกิดขึ้นและลึกถึงพระรัตนตรยรักษากุศลทางใจของเราไว้พุทโธเมนาโถ ทโมเมนาโถสังโกโมเมนาโถให้ใจเราเป็นกุศลให้ความเจ็บเป็นความเจ็บให้ใจเราระลึล้ถึงพระาพราตนไตยเพอใจเรากับความเจ็บเป็นคนละบสวนกันเป็นเพียงแต่ใจไปรับผลของความเจ็บเข้ามาเป็นทุกข์และเป็นปัญหาฉะนั้นการกําหนดรู้ความเจ็บไว้ให้อยู่ในส่วนของความเจ็บรักษาใจไว้กับพระราตนไต่ตด้วยบทพุทโธเมนาโถตโมเมน า, ถาโมมนาถสังโกเมนอโถ <c oughs> ก็จะทําให้ใจเราไม่ไปรับผลของความเจ็บที่กําลังเกิดขึ้นทางร่างกายเมื่อเรา เอาจิตไปจับไว้กับความเจ็บจิตมันจะเกิดปฏิฆะคือเรียกว่าปฏิเสธความเจ็บเมื่อปฏิฆะหรือปฏิเสธความเจ็บที่เกิดขึ้นปฏิฆะหรือปฏิเสธนี้จะเกิดโทสะอันหนึ่งที่เป็นอกุศลฉะนั้นการละลื้ถึงพระนาไตายจะแก้ไขอกุศลในขณะที่มีความเจ็บอยู่นั้นการรับรู้ความเจ็บที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้เรารับรู้ด้วยความเข้าใจทางด้านสัจจ์ว่านี่คือสัจจ์ร่างกายนี้มีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดา อาจารย์ก็เคยผ่านความเจ็บมาแล้วก็เป็นความเจ็บที่เจ็บสุดๆเหมือนกันก็เคยผ่านมาก็รับรู้มาในตอนนั้นจะให้จิตมีความสุขมันก็ไม่มีความสุขหรอกในตอนนั้นจะให้จิตมันเบาสบายมันก็ไม่เบาสบายหรอกแต่ก็รับรู้ความเจ็บที่เกิดขึ้นว่านี่คือความเจ็บความเจ็บกําลังเกิดขึ้นกับกายกายกําลังมีความเจ็บความเจ็บไม่ใช่กิเลสความเจ็บเป็นอริยสัจข้อที่1เมื่อมันไม่ใช่กิเลสก็ไม่ต้องไปแก้ไขเพียงแต่รับรู้รักษาไปตามอาการและเข้าใจการเกิดขึ้นและการเป็นอยู่การมีอยู่ของมัน แล้วก็มันในการที่จะเอาจิตมาเกาะไว้กับพระรัตนตรัยอยู่เสมอบางๆก็อ่านบทพระปริตในขณะที่เจ็บอยู่นั่นแหละเราก็สามารถอ่านบทพระปริตได้หรือก็ทักอารมณ์ขณะใดก็ตามที่จิตรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกไม่ดีกับความเจ็บที่กําลังเป็นอยู่โอยโอยอยู่นั่นแหละก็ทักเลยว่านี่คือความนี่คือความเจ็บความเจ็บกําลังเกิดขึ้นกับเราเรากําลังมีความเจ็บความเจ็บกําลังปรุงแต่งเราเรากำลังถูกความเจ็บปรุงแต่งอยู่นี่คือความเจ็บ เจ็บความเจ็บกาลังเกิดขึ้นกับกายกายกาลังมีความเจ็บความเจ็บกาลังปรุงแต่งกายกายกาลังถูความเจ็บปรุงแต่งอยู่ก็ทักไปอย่างเนี้ยฝึกที่จะทำอย่างนี้ตามแบบที่พระอาจารย์ว่าไว้จะได้ผลดีในขณะที่ได้รับความเจ็บอยู่ในเวลานี้แน่นอนบางบางก็เอาหนังสือพระอาจารย์ไปอ่านบ้างเปิดยูทูบฟังบ้างก็ดีมีคนบอกว่าไม่ยอมไปเจ้าค่ะจะอ ย, อยากฟังพระอาจารย์บ่นต่อเจ้าค่ะ แล้วก็มีคำถามย <laughs> อม อ, อยากสอบถามพระอาจารย์ครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการที่เราเข้าใจว่าร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่นั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงหรือเกิดจากสัญญาขันครับเวลาความจริงมันเกิดความคิดมันจะหายไปและบนความจริงที่มันเกิดมันจะมีความรู้ อย่างที่เร า, เาไม่เคยรู้มาก่อนไอความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันมันไม่ใช่การที่เร า, เราพยายามจะเข้าไปรู้แต่จะเป็นเป็นตัวความรู้ที่ทำหน้าที่ในการรู้โดยตัวของความรู้นั่นเองนี่แหละคือความจริงที่แยกออกจากสัญญาซึ่งไม่ใช่สัญญาสัญญามันยังมีการกำหนดหมายแต่ตัวความรู้ไม่ใช่การกาหนดหมายแต่มันคือความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตัวของความความรู้นี้เมื่อไรก็ตามที่ความรู้เกิดขึ้น สัญญามันจะหายไปเองมันจะไม่มีอยู่และความรู้ก็จะทาหน้าที่ของมันต่อไปเราจะเห็นความต่างตัวนี้เหมือนกับโยมท่านนี้พูดมาตอนแรกต้องกําหนดมันคือสัญญาณนั่นแหละคือกําหนดหมายมันไว้พอหมายแล้วจนเกิดความรู้แล้วมันไม่หมายไม่มีบัญญัติมันจะมีแต่ความรู้ความรู้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องการแล้วเราจะพัฒนาจากความรู้นี่แหละทางด้านจิตใจไปเรื่อยๆเมื่อจิตนพัฒนาความรู้นี่ยไปเรื่อยๆความรู้มันจะเข้าไปทําหน้าที่ เชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกับสิ่งที่มันควรจะรู้สิ่งที่มันควรจะรู้คืออะไรก็มันจะค่อยๆปากฏขึ้นมาให้ได้รับรู้เองนะเป็นปัจจตังนะคะในตนจบมีคนมันจะมีโดกอีกแหละเรื่องเนี้ยมีแต่คนส่งกำลังใจครับมีอันนี้อะไรใช่ค่ะสมุดสมุดไทยเก่ากับสมุดไทยใหม่นี่แหละแล้วก็การทักอารมณ์นี่แหละมันสุดยอดแล้วเจ้าค่ะ มันไม่มีมันไม่มีในพระธรริฎกเดยไม่รู้จะสอนอยังไงไม่รู้จะสอนอยังไงต่อไปเหมือนกันถ้าไม่มีในพระธะบีดิกแล้วก็ขอบคุณโยมที่แชร์เมื่อกี้นี้ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติเมื่อกี้นี้ใช่ถูกใช่ เจตนาตั้งหากเป็นกรรมไอ้ที่ไม่ได้เจตนาแต่เรากลับไปดึงมันมาเป็นเราอะแล้วเราก็ไปทุกข์กับมันนี่คือปัญหาของคนที่ไม่เข้าใจสภาวะแต่ในนี้ก็ไม่มีตำราสอนอีกเลยอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแต่มันมีจริงอยู่บนจิตใจเรานะแต่มันไม่มีในตำราเวลาเอาความจริงออกมาพูดแล้วมันไม่เป็นไปำตำามตารามันก็เลยกลายเป็น อ่ะอโอเคอ่ะพูดเรื่องต่อไปมีคําถามไหมมีคําถามมีครับขอความเมตตาสอบถามค่ะตอนนี้ปฏิบัติถึงขั้นตอนพิจาร า, า, จจาร่างกายจะพิจารนร่างกาย6ขั้นตอนในตอนขับรถไปทํางานเช้าเย็นค่ะระหว่างวันหากตอนนั้นรู้ลมกําหนดรู้ลมจะ ก, กําหนดว่าลมไม่ใช่เราลมหายใจเข้ามาแล้วก็ออกไปหมุนเวียนเช่นนี้เพื่อปรุงแต่ง ให้รูปขันคงอยู่เวลากินข้าวก็กินธาตุดินน้ำไฟเข้าไปบรรเทาทุกข์จากความหิวสิ่งที่เกิดสิ่งที่กินเข้าไปเป็นอาหารใหม่สิ่งกินไปแล้วเป็นอาหารเก่าก็ออกมาเป็นอุจจาระรูปขันเป็นทุกข์ธาตุทั้งสี่หมุนเวียนตลอดเวลา เวลาเพื่อปรุงแต่งให้รูปขันคงอยู่สามารถปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมคะได้สามารถทําอย่างนี้ได้เลยมันคือวิธีการในการที่เราจับพฤติกรรมเราจับ น, นิสัยของเราจับความเป็นตัวเราเอาใช้เปหลักกับหลักธรรมในการที่จะแก้ไขสิ่งที่เราเป็นด้วยตัวเราเองอันนี้แหละเขาเรียกวประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จริงๆที่จะเกิดขึ้นมันจะพัฒนาตัวเราไปได้ง่ายแล้วแต่เท่าทันต่อสภาพการที่มันเป็นอยู่ในตัวเรา อนุโมทนาที่ตั้งใจปฏิบัติคำถามคำถามไม่ค่อยมีมิส่วรจะเป็นแต่กำลังใจครับเป็ น, านการนักสการอหนูมาเป็นกำลังใจให้นะคะเนี่ยจากพี่โยมพี่เมย์กับพี่บาพุทรยุวชนรุ่นสามก็กำลังใจได้ล้นมากๆในวันนี้ก็ล้นจริงๆถ้าจะบอกว่าซาบซึ้งกับพวกเรา ที่ได้มอบศรัทธาไว้กับพระอาจารย์และให้กำลังใจถาวายกำลังใจพระอาจารย์มาในโอกาสนี้มันคือแรงผลักดันและก็แรงขับเคลื่อนที่พระอาจารย์จะทาหน้าที่นี้ตลอดไปแล้วก็หวังว่าพวกเราคือส่วนหนึ่งของธรรมนาวาที่จะต้องเป็นเรือลาต่อไปให้กับคนอื่นนะพุทธยาประชนทุกคน หมดแล้วัอ้องครับส่วนใหญ่จะเป็นให้กำลังใจเพี่ยวเลยครับส อ, สองพันแล้วเหรออ่ะงั้นก็ใช้เวลาในการเรียกว่าเปิดใจพระอาจารย์ในวันนี้ให้พวกเรารับรู้รับทราบบางอย่างอยากจะพูดให้มัน ออกมาจากก้นบึ้งหรือเต็มหัวใจแต่มันก็พูดได้เท่าที่พูดได้เพราะว่ามันมีไลายอย่างนี้อยู่ดังฉะนั้นก็กรรับฟังเท่าที่รับฟังได้นะแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดใดๆ ใ, ในการพูดที่มันเป็นความผิดจริงๆป้าจาย์ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วก็ขออาภาัยในตอนนี้นะเพื่อว่าจะไม่ให้เกิดเวญกรรมต่อกันกับผู้คนที่ได้ยินได้ฟังในข้างของความที่ไม่ชอบใจ ในใจตัวเองแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาถวายพระอาจารย์ก็ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการรับฟังการพูดอธิบายธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็อนุโมทนากับกุศลเจตนาของทุกๆท่านทุกๆคนที่กำลังเกิดขึ้นบนจิตใจของแต่ละดวงในเวลานี้ขอบุญกุศลแห่งกุศลลเจตนาเหล่านี้ทั้งหมดจงไหลรวมลงสู่ พลังแห่งพระรัตนตรัยหนุนนําเข้าสู่จิตใจของพวกเราทุกคนให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบขอรูปภาพแห่งพระรัตนตรัยจงเป็นสวัสดิมงคลติดตามปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราไปในทุกที่พ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากเวรภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบความสุขความเจริญตลอดการปัจจุบันและเบื้องหน้าทุกท่านเธอ